ที่สารุทธรผมได้หนังสือตรงตามหาบัวมาเล่นหนึ่งเรื่องเลยการปฏิบัติภาวนาตรงตามหมาบัวว่าท่านว่าท่านแน่แน่เนเอาสติกาหนดในการดูรู้เห็นจิตใจของตนเองอยู่เฉยๆปรากฏว่าจิตมันจเจริญขึ้นถึงห้าครั้งเสื่อมลงสุดๆุดถึงห้าครั้ง ยังไม่น่าเป็นไปได้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็โอ้ยยถึงแบบว่าไม่ถึงพักโภติกาที่ฆ่าตัวตายเลยว่าจิตเจริญขึ้นหกครั้งเพื่มลงหกครั้งฆ่าตัวตายท่านไม่ถึงพักโภติกาเลยเพราะว่าจิตมันจเจริญขึ้นถึงห้าครั้งเพื่มลงไปอีกห้าครั้งพต่ท่านที่มีสติกกำหนดดูลู่เห็ น, นจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ยังเสื่อมเวลามันเสื่อมไปมันเสื่อมตอนนาฏกาทําอะไรได้ท่านเลยจึงมาพิจารณาว่าความเสื่อมนี้เกิดจากอะไรก็เลยมาดูรู้เห็นว่าอ๋อเพราะว่าไม่มีคำบริกรมรมพุทโธกํากับสติในการดูรู้เห็นจิตใจตนเองมันจึงให้เวลามันเสื่อมเสื่อมไม่รู้เรื่องเลยเวลามันไหลก็ไม่รู้เรื่องมันเข้าไปแค่นิ่งเฉยก็ไม่รู้เรื่องในวัวมันว่างอยู่แท้มันเข้าไปแย่อยู่ในนั้นในความวาวารู้สึกว่างๆเฉยๆนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลย เพราะว่ามันมีแต่สติดูรู้เห็นอยู่เฉยแต่ดูรู้เห็นอยู่ในนั้นเลยแช่อ ย, อยู่ในนั้นไม่รู้เรื่องเลยไหลก็ไม่รู้กดก็ไม่รู้นิ่งเฉยก็ไม่รู้แต่แตรู้ตามันไปแต่รู้ติดไปกับมันไม่รู้เรื่องเลยเห็นโทษว่า อ, อ๋อเพราะไม่มีคำบ ร, ริกำพุทธรูกับดสติในการดูรู้เห็นอธิาบายตนเองทุกขณะปัจจุบันนี้จึงทําให้จิตเสือ่อมไปติดไปกับมันไม่รู้เรื่อง พอรู้ตัวที่สายไปเร่ทุกทีหลังจากนั้นท่านก็มาลงใจหลงว่าต้องมีคําบริกรรมกากับสติในการดูลูดเห็นจิตใจมันนี้เนี่ยขนาดระดับของตาหมาวัวนี่ระดับไฟยาสองนี่ท่นนึงเอาไม่รอดนะมีสติกําหนดดูลูดเห็นจิตใจไม่อยู่เฉยๆจะทำไม่รอดเลยหลายคนที่ทเกลียดมีคําบริกรรมกํากับสติในการดูลูดเห็นนะท่านต้องเอากรณีของงตาหมาวัวเป็นตัวอย่างให้ดี หลังจากนั้นท่านก็มีคําบริกรรมพุโทโธกํากับสติในการดูรู้เห็นจิตใจตนเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันคิดอะไรขึ้นมาท่านกเห็นหมดอะและ้วก็คิดพุดโทโธความคิดอย่างอื่นสะหายไปมันจะเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั้นความคิดอื่นหายหมดความคิดพุดโทโธก็หายหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าพอถึงตรงความว่างเปล่าเนี่ยท่านงงไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ พอความคิดพุทโธก็ไม่ได้พุทโธความคิดพุทโธก็หายไปเพราะความคิดอื่นหายไปปกติพอความคิดพุทโธความคิดอื่นจะหายพอความคิดอื่นมีขึ้นแท่นคิดพุทโธความคิดอื่นจะหายพอทัานคิดพุทโธความคิดอื่นมีขึ้นมาความคิดพุทโธก็หายถ้าจะเห็นอย่างเนี้ยพอคิดพุทโธอยู่ความคิดอื่นจะหายพอความคิดเกิดขึ้นความคิดพุทโธก็หายถ้าจะดูรู้เอกนั่นไปอย่างเนี้ยตลอดเวลาเอ๊ถ้าะดูดูดูดูพอมันคิดอยอื่นพุ๊ความคิดพุทโธหายพอท่านคิดพุทโธขึ้นมาความคิดอื่นก็หาย แ้วก็เห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปความคิดอย่างอื่นหายหมดความคิดพุทโธก็หายหมดพยาที่คิดพุทโก็ไม่คิดมันเหลือแต่ความว่างเหลี น, นั่นแหละถ้าแล้วก็มีส ต, ติกาหนดดูรู้เห็นอยู่ตรงที่ว่างนั้นตรงความรู้สึกว่างๆนั้นให้มีส ต, ติกาหนดดูรู้เห็นตรงความรู้สึกว่างๆนั้นโตั้ ง, งิบมันก็ขยุบขยุบขยิบขยุบยบุย้นมเป็ปออนความคิ ด, ดี พอเยไปยตัวเป็นความคิดเดียวกัคิดุทโก็เป็นคิดุโุทโคิด้หายไปจที่ไปยไปยุยไปึ้นม่าไปถ้าคทโธพุทโจิตขึ้นมาอีกเขา้าอีกเขาคิดพุทโธก็ยไป พอหาไปหมดในความคิดบุตรองก็หายไปหมดแ้วจะความว่างเปล่าโอีหรือจะความว่างาเปล่าสักกันเลยมีสติกำหนดรู้อยู่ที่ความว่างเปล่านั้นไม่ต้องบริกรรมใดๆขึ้นมาตอ น, นี้มันก็จเริ่มว่างยาวนาน ม, มากขึ้นเรื่อยๆจิตก็เริ่มเป็นสมาธิที่มั่นคงมากขึ้นเสร็จแล้วตอ น, นี้ก็มันเป็นสมาธิมั่นคงไม่หลายไปทำอะไรเลยแต่ตอนนี้ท่านว่าทําอะไรไม่ถูกมันอยู่ที่เฉยๆอย่างนั้นแหละมั น, นือเป็นสมาธิ ถ้าจะมาพิจาณดูโอ้อย่างนี้ก็เป็นสมาธิจนถึงวันตายได้สา ม, มารถบนทุกได้ถ้าแล้วจิตที่เป็นสมาธิอันคงนั้นเนี่ยมาพิจารณากายหเห็นหน้าเปื่อยภูฟังเป็นสุภกรรมฐานนึถึงพิจารณาความตายมรณ า, านุสติเจริญกระตั้งมา น, นึกถึงพิจาณาปลองผลผลเลื่นหนังเรืเองกระดูก่อไปแค่ผุ้เผย น, นอ้าเสยใหญ่บ้าตับปลอดหัวใจผอนออกไปเป็นชิ้นๆชิๆผอดชิตนไหนออกไปก็น้าเปอยภูฟัง หรือเพ่งพิจารณากาหนดให้เห็นว่าเป็นของของน้าป่วยผู้ฟังแล้วก็หเห็นกระดูกแตกปุยผงเป็นธุลีไปไม่มีอะไรเหลือยึดถือได้ถ้ากับพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้นะมีคนมาถามผมแล้วมีหมอก็ถามผมอาจารย์เนี่ยเพ่งกับไปที่ตัวเองเนี่มองเข้าไปตัวเองไม่เห็นมันเน่าว่ะเี้ยอาจารย์มันจะเน่าได้ไงก็ตัวเรามันมันตัวเราจะมันไม่ตายเพ่งไงมันเน่าไม่เน่าเราไม่จะไปเพ่งให้ตัวเราเน่า มันมีมันมีอยู่สองกรณีก็คือว่าอย่างกรณีของแม่สี่แก้วหรือกรณีของเหลวงปู่จันทาสาวาโรนก็คือว่าหลวงปู่จันทาสาวาโรเนี่ยท่า น, นเดินจงกรมจงกรมอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยไปเห็นร่างกายตัวเองเนี่ยมันลม้ลมล้มลงไปตายต่อหน้าต่อตาแล้วก็นวเน่าเปื่อยหูฟังแต่ไม่ใช่ไอกายตัวจริงๆนี่ลม้มลงไปแล้วตายหน้าเปื่อยหูฟงังเห็นเน่าๆกันคือมันเห็นตัวเองอีกตัวนึงอะลม้มลงไปแล้วก็ ตาเน่าเปื่อยผูกพังเป็นน้ำเหลืองไหลแล้วไอ้หมาก็มาแทะกระ ด, ดูกากากขาัำล่าเขาสไสแล้วมันยอบไม้เน่าเปื่อยผูพังไปหมดนัด่นไปเห็นอย่าง น, นอกทั้งวันทั้งคืนวันแล้ว ว, ล ว, วันเล่าจนสิ่การทีผิดยืถี่ไปส่วนไม่จีแกล้กวันนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเห็นร่างกายเพที่นั่งบริกรรมพุทโธอยู่ล้มลงไปเน่าเปื่อยผูพังไปหมดเลย ไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยตัวจริงมันเน่าแล้วมอเนีมมมมมเเน่มันเน่ามีมีมผู้ประสาทผมเลยอาจารย์ดูเท่าไรก็เห็นมันเน่าที่อาจารย์ดูเท่าไรก็เห็นมันมันเน่าทีเนี่ยมันก็ยังตึงๆอยู่เนี่ยมันยังสดๆอยู่เนี่ยก็ตัวอะไรไม่ตายเลยเน่าได้ยังไงคือตัวะายตัวเนี่ยมันลบลงไปแล้วก็เน่าเน่าเปลือกูฟางไปหมดแล้วก็ดูันก็ปนเป็นผุผงุรียไปหมดกลายเป็นดินไปหมดแล้วก็ายหายไปหมดสิไม่มีอะไรเหลือยึดมันถือมันได้ก็ปล่อยวางกันยึดถือลงเดียสิ อีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันไม่ได้เห็น eh ตัวเองเน่าหรอกมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายจากผู้คนไปทุกคนกคน็ต้องตายจากเราไปเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความแก่เป็นของธรรมดามีความแก่มีความเจ็บ ม, คมีความตายจะไหลไปต้องถึงในความตายอย่างแน่แท้ชี้นะถึงแต่ความตายความตายความตายที่จะต้องมีมาถึงเป็นของแน่แท้ไม่อาจจะหลีกหนีพ้นต้องตัวเราและคนอื่นต้องคนที่เรารักที่ก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องจากคนที่เรารักไป พิจารณาถึงความจริงอย่างนี้มันก็ไม่ใช่บว่าบอกว่าพิจารณาแล้วต้องเห็นตัวเราตายตัวเราหน้าเปลือยไม่เป็นหลับตัวเราไม่เป็นสดสดเนี่ยแต่มันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกออกมาจากใจจริงๆว่าตัวเราเนี่ยเราจะต้องถึงแกความตายอย่างแน่แท้คนที่เรารักคนที่เราจ้างทั้งหมดก็ต้องถึงแก่ความตายจากไปเราต้องจากทุกคนไปทุกคนก็ต้องจากมาไปไม่มีใครรับที่จะอยู่กันอย่างอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปได้จนทคำฝาไม่มี พิสูจทุกคนต้องตายจากกําหมดสิ้นเราก็ต้องจากไปจากโลกนี้ไปจากทุกคนไปทุกคนต้องจากการต้องกายจากกันอย่างแน่แท้นี่เของของจริงไม่มีหลีกหนีได้ไม่อาจเเลี่ยงเลี่ยงเป็นอย่างอืไไองนงอ่นไปได้ไม่อาจหนีเป็นอย่างอื่นไปได้นึกเรียนนายอย่างเนี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมานึกถึงความจริงอย่างเนี้ยกับติดอยู่ตรงนี้จำไม่มองไม่เห็นเรากับตัวเราหอเน่าอ ม, มองไม่เห็นเราแต่มันรู้สึกจัดใจว่าเราจะต้องตายจากทุกคนไป ทุกคนก็ต้องตายจากเราไปเหมือนกันที่สุดมันก็ปล่อยวางลงไปเมื่อเมื่อใจมันเมื่อใจมันรู้สึกอย่างนั้นจริงใจร้อยเปอรเซ็นใจก็ปล่อยวางทุกอย่างลงตรงเนี้ยมันก็วางมันเองหน้าที่วางไปวางมันเองแต่เรามีหน้าที่พิจารณาไปเรื่อยๆแต่มันไม่เห็นหรอกมีความรู้สึกไม่ได้เห็นว่าตัวเราเน่าอะไรกรณีหลังไม่เห็นตัวเราเน่าแต่ปความรู้สึกว่าเราต้องตายจากทุกคนไปทุกคนก็ต้องตายจากเราไป้ ก, กปางงรที่หลงยึดถือยึดถืออะไรไม่มั่นคงมันก็ใกล้ๆคลายออก ไปออกไฟออกไฟออกแล้วก็วางอย่างนี้อันนั้นคือความจริ้มก็ไปจัดกระจายมันขึ้นมาเองคนนี้นั้นมันจะไม่เห็นว่าตัวเองเน่าไปเหมือนกับกรณีแรกกรณีของผู้จันทากรณีของหลวงปู่ของของแม่กี่แก่นั้นในกรณีนี้มันเห็นตัวตั ว, ตวงตัวเองตัวงตัวเองอีกตัวในลงไปตายใจเน่าไปผูกฝางเน่าเน่าเลยกระดูกก็เลิดเป็นตุ่ยดินไปแต่คนนี้หลังในใจมันนานๆถึงมรณะสิ่งความตายเนี่มันเกิดจากความรู้สึกมาจากใจร้อตัวเ แล้วมันก็ปล่อยวางกันลงยึดถือไปได้ทั้งมวลงก็ได้ครับตอนนี้ก่นี้ไปพิจารณาถึงความตายแล้วอยู่ๆไปเห็นกายของตัวเองน่าเปื่อยกูฟังไปก็พิจารณาตรงนั้นหละพิจารณาที่ร่างกายตัวเองการนาปื่อยกูฟงพิจารณาตรงนั้นอยู่เรื่อยๆให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกามันปล่อยวางปลงปล่อยวางมันตัวเอง แต่มีข้อมีข้ อ, ขอที่สังเกตมีข้อที่ควรระวังก็คือว่าที่นาไปหรืบไปนาตายแล้วก็เกิดใจมันหดหูหูล้อให้มันมันบอกไม่ถูกเบือนายอยากจะหนีจากครอบครัวเข้าๆๆป่าไม่อยากมาทำงานรู้สึกว่าโลกนี้ทุกอย่างต้องตายจากกันไปไม่มีอะไรที่อยู่ด้วยกันได้อะไรได้ก็เหมือนกับเพิ่งไปในใจมีความรู้สึกว่า พีบ <Yeah. S 1> so ิดมีอย่างนี้เหรอมีแค่นี้อะไรอะไรมันก็เมือนจิตใจมันเข้าหมองร้องไห้ร้องอุ่มอันนี้อารมณ์เข้าแทรกเกิดการกดภูอย่างแรงกล้าขึ้นมาอย่างนี้ต้องรู้ตัวรู้ตัวต้องละเสียละการพิจารณาเลิกการพิจารณาไปก่อนต้องรู้ตัวอย่างนี้ให้รู้ว่านี่อารมณ์เข้าแทรกเลยตอนนี้เราณ์เขาแทรกพวกนี้จิตอ่อนแอร์จิตมันไหวต้องระวังเหมือนกัน ขอต้องซ้าำมาใช่ไหมเนี hmm. ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเห็นครั้งเดียวเราปล่อยวางนะไม่ใช่นะเราต้องเห็นไปเรื่อยๆแล้วเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆต่อเนื่องเวลาการปล่อยวางเราปล่อยวางของมันเองมันเกิดอัศจรรยขึ้นมาเองในใจเราไม่ใช่ว่าเราเห็นครั้งสองครั้งแล้วเฮ้ยเห็นปล่อยทีเห็นปล่อยทีไม่ใช่มันไม่ปล่อยวางง่ายๆหรอกเพราะเราที่ติดที่ถือมาหลายภพหลายชาติเราต้องเพียรณาไปเงี้ยเพียรณาไปจะบอกว่าใครนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้บางคนก็ปล่อยวางเร็วบางคนก็ปล่อยวางช้า มันจะเปรียบเห <impossible> nine, มือนเงี้ยเหมือนคนมีมีคนมาบอกเราว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนไม่ดีนะเราไม่เชื่อไม่เชื Twice, ่อคนเนี้ยฟังเขาตลอดเป็นคนดีอ่คนที่สองเขบอกอีกคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีนะเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เชื่อไม่เชื่อคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่ร้อยมาบอกเราเนี่ยจะเชื่อแล้วมันจักเชื่อไปตั้งแต่เม่อไหร่ตั้จะเชื่อเกืบร้อยมันจักเชื่อเกือบรอเร์เซ็นต์จนกระทั้งไม่รู้มันเชื่อร้อยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนห่ยนันก็ค่อยๆซึมซับก็ไปซึมซับ มันเชื่อหมดร้อยเซนนี่ยใครมาบอกไงไม่กลับคืนอีกแล้วคือมันเชื่อหมดร้อยเปเซนเาเขาาดีไงไม่กลับคืนอีกแล้วมันคือมันเขาเชื่อแหละเชื่อแหละไอ้การพิจารณาถึงความตายแบบนั้นแน่บางทีมันไม่มองเห็นเป็นภาพเน่าเปลือกปูฟางอะไรหรอกแต่ใจมันค่อยๆเชื่อแล้วเชื่อถึงความจริงนั้นก็ไปก็ไปว่าเราจะต้องตายจากทุกคนไปทุกคนก็ต้องตายจาากเเรรไไไปมมม่ีออะหหลืยบันถึงบไไมม่ีอะรเหลืออยู่นนตตตัวเป็่อไป ใจมันก็แค่เชื่อกันไปน้องเชื่อกันไปเชื่อกันไปเชื่อ <DVD> กันไปจนกระทั่งมันเชื่อหมดร้อยปอร์เมเชื่อหมดร้อยเปอ็จะกลับมาให้มันไม่เชื่อไม่ได้ละมันเชื่อหมดแล้วร้อยเซเหมือนกับว่าเชื่อว่าเขาไม่ดีนะร้อยเปอร์เซ็กลับมาเชื่อเลยคนดีมันไม่กลับละมันไม่คืนตัวความเชื่อมันเป็นความเชื่อความเชื่อคือเชื่อมาจากใจจริงจริงร้อร็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกว่าตัวเองเน่ามือนมีหมอก็ถามผมอาจารย์ผมก็ผ่าตบเพราะว่าเห็นอยู่ประจะ แต่ทำหมมันพิจ า, น า, นนารณ า, ร า, ร ต, ารตัวเองไม่เห็นมันน่ากไมเน่าเรเห็นตัวเองเน่ก็เทงกีตัวเองก็เ่ารายเน่าหรอกจาไหมเป็นยังไงนะเพลงร่างกายน่าเกลือแล้วมิล ม, มเลย โดยหลนแล้วก็เนี่ยไปเห็นต้งภาพเห็นได้กระจกันจิดเนึ่ยนะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอๆอ่าก็เวรเราก็เห็นอย่างนั้นนะชัดๆชัดๆพิ่านณาชัดๆจนถึงกระดูกก็มันปนไปทุลีดินไปนะอย่าให้เดือแต่โครงกระดูกไว้ผมเคยพิจารณาแบเนี้ลอกจนเน้าโดยผูกฟางประโยชน์โครงกระดูกเหมือนกับว่าพวกอาจารย์ในษาแพทย์ะจะดินโครงกระดูกที่เขาใช้ศึกษา เห็นเป็นโครงกระดูกชัดเจนขาวโปรนี้เลยแล้วก็คราวที่ควรโครงกระดูกอย่างนั้นไม่ได้พิจารณาต่อไปโดยหลวงปู่คําตันดิศาธรรมโมที่เอหนองคลายอะเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ว่าจิตผมว่าผมกําลังพิจารณาตรงนี้อยู่ท่านเรียกผมไปเราไม่ถูกเพราะว่าโคกระดูกมันยังตั้งอยู่ในทพิจารณาโครกระดูกนั้นให้ปลไปสู่ดีดีไปเพราะว่า ให้มันพียนาไปจนกระทั่งไม่อยอะไรอย่าไปตั้งอย่าไปเพียนาไปติดติดแค่โครงกระดูกท่าน้ว่าผมอยากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวให้เพระว่าติ่โครงกระดูกเดี๋ยวใหนกระหลังงสารมกลับมาหอหุ้มอีกให้นเป็นทุลีดิ้วไปหมดทุรีดิ้นไปว่าจะดิ้นกับพื้นสู่ดินในกองเนี้ที่ว่าทำมาปรากฏมันเป็นหลวงปู่แหวงสุจินโนมามาสอนผมมาสอนผมเล้วยก็เดินถึงไม้เ้าเข้ามาแล้วก็สอนผมว่าเจ้ายึดติดเจ้ากาลังยึดติดยึดถืออะไรอยู่ ดูให้ดีนะดูให้ดีว่าเจ้ากำลังยึปิดยึดตืออะไรอยู่แล้วกายของกูแหวนก็เน่าเลยเน่าเนี่ยเนื้อหนังภายนอกเนี่ยเน่าเน่าเเห็นชัดๆมากเลยเหมือนกับสโรโมชั่นภาพโรโมชั่นเหมือนดูด้วยตาเนื้อเนี่ยนั่งดูท่านนอนดูท่านเนี่ยมันเหมือนฝันไปเน่าไปทั้งตัวเลยแล้วก็ค่อยไหลเป็นน้ำไหลไหลไหลเป็นน้าเดืองเปรรไหลไหลไลงไปกองกับพื้นดินไหลเป็นละลายไปกับพื้นดินเลย เหลือจต่โครงกระดูกตั้งอยู่แล้วโครงกระดูกนั้นก็ค่อยๆลาือนของแตกหลายนาแตกโผล่ออกไปกองกับพื้นดินแล้วก็ค่อยๆแผ่นดินมันกค่อยๆสดเพือนยังไงไม่ทาบปุ๊งๆๆๆไอ้พวกเนื้อหนังพวกอวัยว่ะภายในพวกไอ้กระดูกมันก็ค่อยๆหายเข้าไปในดินกลายเป็นแผ่นดินราบเลือดไปหมดเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเลยใจม มันเหมือนกับว่ามาจากจดินตับปืนตือดินมีอะไรเหลือให้ยึดถือได้หลังเสร็จแล้วก็ดินก็ค่อยๆยิ ด, ดๆดดๆดดๆๆๆๆๆเคลื่อนตัวขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อมีกระดูกฟองไหยหลัง ก, กโโ ล, โลงกับมาเหมือนกับภาพ slow motion ไหลหลังกลับมาเป็นรูปร่ า, างท่านอีกไหลกลับมาเป็นรูปร่างท่านอีกมันเป็นกระดูกแล้วก็เป็นเป็นอวัยวะมาหุ้มหุมุมเป็นเนื้อเป็นหนังมีผมมีขนเล็บปามีมีอวัยวะมาหุ้มทันก็เป็นรูปตรงผู้แสบเนี่ย แลท่านก็บอกว่าดูใหม่ให้ดีลูกดูให้ดีว่าเจ้ากําลังยึดถืออะไรมีอะไรให้เจ้ายึดถือได้บ้างเจ้ากำลังยึดถืออะไรอยู่มีอะไรให้เจ <ách> ้ายึดถือได้บ้างเจ้าดูให้ดีเราเนี่ยผมอดเล็บฟันหนังเลือดกระดูกอะไรจะค่อยเน่าเน่าเ er ่าเน่าเป็นน้ำเหลืองไหลไหลไหลไหเป็นภาพแบบสโลโมชั่นไหลไปกองกับพื้นดินหมดเลยเหลือแต่โครงกระดูกผูแหวนยืนอยู่ เสร็จแล้วก็โค้งมาดูก็แตกเป็นของเาวแตกไรน า, าแตกซะแล้วก็หลดลงมาสู่พื้นดินแล้วก็มันก็าหายไปในพื้นดินหมดมาจากดินกับพืนสููดินมาจากดินกับพืนตู ด, ดินมาจากเท่ากับพืนสู่เท่ามาจากทุรีกับพื้นสูธุรีมีอะไรที่เจ้ายึดถือได้บ้างแล้วทุกอย่างก็ราบเรียบเป็นธรรมชาติไปหมดกับพืนสูดธรรมชาติ เสียงหมดติ้ไม่มีอะไรเลยอสร็จแล้วก็ค่อยๆคืนตัวกลับไหลหลังมาเป็นเป็นกับพารโคลโมชั่นย้อนหลังมาเป็นลำบุบไหลตามเลยตอนมาตอนแรกนี่ท่านโอ้โหท่านดุมากเลยชี้มือแล้วดุมากนี่เหรอผู้ปฏิบัติธรรมเจ้านี่แเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่เหรอว่าเจ้าผู้ปฏิบัติธรรมเจ้าหลงยิตถือเจ้าูว่าเจ้าหลงจิตถืออะไรอยู่มีสิ่งใดที่เจ้ายิตถือได้บ้างโอ้ไม่เคยเห็นตนดุมากขนาดนี้เลยท่านดุจริงๆ แต่พอตอนหลังเนี่ยพอท่านคืนกลับโตกลับมาให้ดูเลยสองรอบแล้วเนี่ยให้งข้ามือมาแล้วข้มือมาตกที่ศักดิ์วันจำไว้ลูกไม่มีอะไรหรอกที่จะยึดมัน่นถือมันได้ไปวางไปเที่ยเราก็กลับเป็นคนละคนเลยจะที่ดูๆเมตามาันข้ามมือมาตกที่ศักดิเห็นในมิมิตก็มาขึ้นมาเห็นธรรมปรากฏเป็นห้วงปู่แหวนสุจินโง่หลังจากนัก้นก็มาสอนเรื่องจิต มาสอนเรื่องากายเส็จเรืจิตที่ยังปิดค้างอยู่ก็มาสอนเรื่องจิตไอเทียน่าที่จิตําหมณจิตอย่างที่พมาสอนพวกเราจริงปล่อยวางการยึดจิตยึดถือทั้งฝ่ายนำปล่อยวางกันเถอะลูกก็ทำมาแล้วก็ให้ปล่อยวางการยาึดถือ น, นามาทำฝ่ายความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์ฝ่ายจิตใจอีกทีให้เห็นว่าไม่เที่ยงเกิดจับไปดจับแต่ควรเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอะไรยึดมั่นถือมันได้จบแตดจารู้อยู่เปล่าเปล่าจดจำรู้อยู่เฉยเฉยแล้วก็ปล่อยวางไป ไม่มีอะไรยึดม <ills> uh, <and then S 2> ันถืงมันได้มาสอนเรื่องนามธรรมอีกคับสอสามครั้งอ้าคำวึ่งกันยิดติดยึดถือตัวตนตัวเอจริงขั้น่มันต้องต้องสองขั้นนะพิจารณากายอย่างเดียวนี่ไม่ผ่านขาดการยึดสิยยึดถือตัวตนในฝ่ายรูปธรรมในฝ่ายกาย เวลาจะรู้ว่าผลที่ผ่านนี่ต้องต้องพิจารณายึดติดยึ่ือตัวตนในฝ่ายในฝ่ายของกิจใจอีก่จรความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนต้องมาที่กัรยึดติดยึดถือนี่ความรู้สึกเป็นตัวต้องมีคนมอเพียงดูรู้เห็นอยู่ทีเฉยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วในความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็ติดอยู่ที่การนี่แหละความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนน่ะท่านท่านไปเนี่ยลมอะไรกับใครท่านมีความพอใจไม่พอใจท่านท่านนึก เห็นด้วยไหมเห็นด้วยพอใจไม่พอใจตรหนิติเตียนวิพากษวิจารอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไอ้ความความนั้นแต่มันก็มันก็ติดอยู่ที่ตัวนี้เนี่ยตรงที่ตัวท่านนี่เนี่แต่ถ้าไม่ติดทั้งที่ตัวท่านแล้วไม่ติดทั้งในไอ้ตัวที่มีจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันที่มันเป็นความรู้สึกถึงตัวเราอะจะไปแสดงอาการเห็นด้วยไหมเห็นด้วยมีวิพากษ์วิจารณพอจะไม่พอใจต้งรับต้งชังมีราคภโลภโมหะมุขอะไรก็อยู่ในตัวเราเนี่ยแน่ในตัวเราทั้งตัวเนี่ยแน่ถ้าจิตไม่ให้มาติดทัจจิตในี้ ให้อยู่ที่ผู้รู้ผู้มารู้เนี่ยผู้มารู้ตัวเราเนี่ยที่กําลังมีอารมณ์อย่างเงี้ยมีก็มีไปบ่อยมันเราก็ดูตัวเราเนี่ยอยากนีเราจะดูอยู่เนี่ยเนี่ยถ้าอยู่ที่ผู้รู้อ่ะท่านจะบอกว่าผู้รู้เนี่ยเนี่ยคือพระพุทธผู้รู้เนี่ยคือประฐานผู้รู้เนี่ยคือประสงค์ผู้รู้เนี่ยน่ยคือมรรคผลนิพพานเอาผู้รู้เนี่ยเนี่ยเป็นมรรคผลนิพพานตัวผู้รู้เนี่ยเป็นธรรมผู้รู้เนี่ยเป็นธรรมแต่ผู้รู้รู้อะไรแล้วไม่จิตอะไรเลยรู้ทุกอย่างแล้วไม่จิตสิ่งใดเลยอันนั้นะ มันเป็นพันิพยานขึ้นมาเองอัตโนมัติคือการที่เราฝึกรู้กับตะวารู้สับตะรู้เนี่ยเป็นทางเดินไปสู่พันิพยานไม่ใช่ผู้รู้เนี่ยเป็นพันิพยานผู้รู้เนี่ยเป็นทำเป็นทำที่จะพาเราไปพบพันิพยานผู้รู้เนี่ยเป็นทำเรื่องพาเราไปพบพันิพยานไม่ใช่ผู้รู้เป็นพันิพยานนะผู้รู้เนี่ยเป็นทำเรื่องพาเราไปพบพันิพยานเหมือนกับว่าท่านจะไปที่ไหน สมมติว่าถ้าจะไป ท, ที่เชียงใหม่สมมติเนี่ยเชียงใหม่คือพนิพานเชียงใหม่เนี่ยมีอยู่แล้วเชียงใหม่มีอยู่แล้วขอให้เราอ่ะออกเดินทางไปด้านั้นเองเรจะเดินทางไปในทางเรือทางรถก็ตามหรือทางเครื่องบินก็ตามนะทางเรือไปไม่ได้ก็ไปทางเครื่องบินไปทางรถไปไปทางรถทางน้ า, าที่เราไปเนี่ยคื อ, ค, อคือรู้จักกับมารู้รู้เนี่ะคือทำที่จะพาเราไปถึงไปถึงเชียงใหม่คือเมืองพนิพานที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่า ไม่มีอะไรเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลเป็นพรนิพพานไม่มีเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยคุ้มแต่งใดทั้งหมดพระนิพพานไม่ได้เกิดเป็นพระนิพพานเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธรรมเป็นอสังขตภาพมีกรณีเดียวเท่านั้นเองนอกกันนั้นเป็นสังขารคุ้มแต่งหมดเป็นสังขารธาตุเป็นสังขารธรรมเป็นสังขารคุ้มแต่งทั้งหมดสังขารคุ้มแต่งทั้งหมดนี่ต้องมีเหตุปัจจัย แล้วจิตจะมีผลเกิดขึ้นสังขารกรุงแต่งทั้งหลายก็มีเหตุปัจจัยจึตจะมีผลเกิดขึ้นมาอย่างเช่นร่างกายท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดมาเองตั้งท่านต้องมีเหตุปัจจัยเป็นความเพิมาเกิดเป็นตัวท่านได้อย่างนี้นะแล้วก็เวทนาสัญญาสัญญญางขางรวิญญาณต่างๆนี่ล้วนแต่เป็นสังขารครุงแต่งต้องมีเหตุปัจจัยมีเหุปัจจัยทาให้มันเกิดมีเหตุปัจจัยทิ้งเหตปัจจัยมันก็ดับไปเองตามธรรมชาติของมันมีพระนิพพานอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยของมัน พันิพาณเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลพันิพานนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยดังนั้นไม่ใช่ว่าใครทําเหตุอย่างนี้แล้วผลนี้จะเกิดเป็นพันิพานไม่มีมีแต่ว่าท่านทําเหตุรู้สัตวะรู้รู้สัตรวะบาลูไว้ที่รู้สัตรวะรูรรร้เนี่ยรู้กายรู้ใจท่านเนี่ยพุทธเจ้าว่าอย่าไปรู้อย่างอื่นนะให้รู้ที่การที่ใจถ้าจะไปพันิพานก็ไปทางนี้เท่านั้นคือที่เป็นมรรคเขาเรียวกว่าทาง ต้องทางนี้ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีไม่มีในเด็ดขาดรู้สตอรู้ทิศกาทิจัยตนเพราะว่าเราจะมีความเห็นด้วยเห็นด้วยจะมีความคิดมีความนึกมีอารมณ์ยังไงจะเพียรสรรวิจัยยังไงก็ตามนี่ยมันอยู่ในกายที่ทั้งนั้นนี่ยแต่ถ้าไม่ติตไม่ติดร่างกายนี้แล้วไม่ติดตตัวจิตใจที่มันมีความรู้สึกมีคิดอารมณ์เห็นด้วยมเห็นด้วยเป็นอุตตรนาคอุตไรในใจนั้นเลยท่านอยู่ที่รู้ไวมารู้มารู้มารู้ร่างกายจิตใจท่านไวรู้ต้องตัว รู้ไว้ๆตัวเนี้ตยตัวเราเนี้ยมันกำลังคิดอย่างนี้กำลังมีอารมณ์อย่างนี้กับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพอใจไม่พอใจวิพาควิจารณ์อดีบลำพานต้องเป็นบุญเป็นกุศลดีไม่ดีมีชั่วมีรักมีชังอะไรกันดูมันไว้ไว้ตัวเราเป็นยังไงทนมันไห้อดทนอดกั้นกดทนอดกั้นข่มใจนะครับจับใจจางใจอย่าตามใจอย่าตามใจและอย่าหักหานอย่ากดจะ่ามจะบังคับรู้สติวัลุรู้สัิวัวุจะอดทนจริงๆมันจะเป็นในงานจะแตกจะระเบิดจะทําลายไงอย่าไปสนใจอย่าไปกลัวมัน <t. S 2> มันอึดอัดตื้อื้อไม่โปรงไม่โลงไม่บาดิดหน่อยมันคมุดกิดอุ้ยจะไปจะตายให้ได้แล้วรู้รู้อยู่เฉยเฉยอย่าไปกลัวมันเพราะมันไม่ใช่เราเราคือผู้รู้ไว้ให้เป็นผู้รู้ตัวเราไว้ให้มารู้ตัวเราต้องตัวไว้รู้ร่างกายผิดแกนนี้ไว้รู้รู้สอบตัวรู้ไอ้รู้สอบตัวรู้ก็จึงเรียกว่าเป็นมรรคเป็นมรรคคือมันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงขึ้นมรรคผลนิพพานรู้นั้นไม่ใช่นิพพานแต่รู้นั้นเป็นธรรมส่วนสิ่งนี้ถูกรู้เป็นโลก รู้โลกไว้แล้วไม่จิตโลกไม่ติดธรรมคือไม่ติดตั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่พยายามให้รู้เปล่าๆรู้ว่างๆไว้แล้วปิดปิดผู้รู้ไว้ยึดจั้งโลกยึดจั่งธรรมก็ไม่เป็นพระนิพพานเพราะว่าทั้งโลกก็ไม่เห็นพรนิพพานทั้งผู้รู้ก็ไม่เห็นพระนิพพานแต่รู้สักแต่ระวัตรู้ไว้อันนั้นเนี่ยไม่เป็นพระนิพพานไม่มีเป็นรู้อย่างอื่นไม่มีนักบูท้าว่ารู้จิตใจที่ใจตนเองไม่ผิดอยู่แล้ว มันจะได้ทุกคนจะได้เกิดค ว, วามมั่นใจว่าการเดินทางนี้ไม่หลงทางไม่ผิดทางท่านเลยบอกว่าสอนให้ลู้จิตรู้ที่กายที่ใจตนเองนี้ไม่ผิดทางอยู่แล้เส้นทางเดินผมมาพูดมาถามพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นมักเป็นทางออกมาผลนิพพานไม่ผิดรู้ที่กายที่ใจตนเองไม่ผิดแต่เป็นรู้อย่างอื่นผิดหมดไม่ใช่ทางของปณิพานผิดคือผิดปณิพานผิดทางไม่ได้ผานแต่นั่นก็เป็นเรื่องของโลกโลกไป แต่ถ้ารู Lan ้รู้ทิศกาที่จ่ายตนเองตามความเป็นจริงทุกขณะปัจจุบันนั้นแหนะเป็นทางวนิญานคือถ้ารู้แล้วติดไปกับสิ่งใดอันนี้จะเป็นโลกรู้แล้วไปจิตไปสิ่งใดก็จะเป็นบิมุดรู้แล้วไปจิดสิ่งใดก็จะเป็นสมมุติตลอดไปรู้แล้วสิ้นการติดสิ่งใดทั้งหมดทั้งสิ้นรู้จับแต่ว่ารู้ไม่เข้าไปติตสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็จะเป็นบิดมุดอัตโนมัติบิมุด ม, ม, มันเกิดขึ้นเองเกิดมาจาก การทำเหตุคือรู้จักแต่ันรู้แล้วไม่เข้าไปติดอิ่งกิจตุรู้ทั้งหมดมันก็จะถึงขึ่งวิมุติขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารู้แล้วยังติดอิ่งนั้นอิ่งนี้ยังเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นนี้ไม่อยากให้เป็นงั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้น เ, นนเรียกว่าติดเข้าไปในสิ่งนั้นอย่างนี้ก็จะเป็นสมมุติตลอดกาลแต่ถ้ารู้แล้วละไปหมดสิ้นไม่ติดอิ่งใดเลยก็จะเป็นวิมุติขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเป็นผลิปัจจุบันเองอัติ จริงว่าผู้รู้เนี่ยไม่ใช่ปฏิปานเพราะเป็นเพียงแค่เป็นมัดเป็นธรรมที่จะผ่านไปพบปฏิปานนี่เป็นคําดินยันรับรองจากพระอาหารหันต์แล้วดังการปฏิบัติของพวกเราจะได้เกิดความมั่นใจไม่มีจิตพลาดนม่มีกานช่วย อ, อยู่ที่พวกเราแล้วจะทาทได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่พวกเราที่จะท่านจะทําจะปฏิบัติตามนี้มันจะเดินตามมาัดตลอดเวลาไหมท่าน จะเดินว่าท่านจะรู้นั้นรู้นี่แล้วท่านติดไม่หมดติดนู่นติดนี่ติดนั่นติดนี้หรือว่าท่านจะรู้แล้วก็ค่อยละไปหลัะไปจนละได้หมดสิ้นไม่คิดอะไรเลยเหลือแต่รู้สักแต่รู้แล้วแบบแค่รู้ในร่างกายจิตใจตนเองอย่าไปรู้อย่างอื่นเที่ารู้อย่างอื่นอย่าแบบตรงกิดออกนอกอย่างนี้ไม่ทนทุกข์เพราะว่ากิดตรงออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะในกิดตรงออกเป็นทุกข์กิดเห็นกิดเป็นมร คนแห่งจิตเห็นจิตเป็นนิโรธแังนั่นไปนรู้อย่างอื่นนมันก็ตรงออกหมดไม่สามารถทำให้คนทุกข์ได้มันจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตดรืยไปอันนั้ยคือทางปฏิบัติให้ถึงเึื่องความสำนึ ก, ก็เข้าใจนะ